เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20มกราคมพุทธศักราช2 5 5 1เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานจึงได้มาวัด เพื่อมาทำประโยชน์ให้กับชีวิตจิตใจของตนเองเพราะเชื่อในพระธรรมคำสอนที่ทรงตรัสสอนไว้ว่าไม่มีอะไรที่จะสำคัญเท่ากับใจของเราถ้าใจดีทุกอย่างก็ดีไปหมดถ้าใจไม่ดีทุกอย่างก็ไม่ดีไปหมด ใจจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่การดูแลรักษาของเราเองถ้าคอยดูแลรักษาใจด้วยการบำเพ็ญบุญกุศลอยู่เรื่อยๆใจก็จะลีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าปล่อยให้ใจถูกอำนาจของความโลภความโกรธความหลงฉุดลากไปใจก็จะเสื่อมลงไป จะไม่ดีลงไปเรื่อยๆสังเกตดูวันไหนถ้าใจเราดีมีความสบายใจทุกสิ่งทุกอย่างเรามองไปเห็นว่าดีไปหมดแต่ถ้าวันไหนเรามีใจที่ไม่ดีมีอารมณ์ที่ไม่ดีเวลามองอะไรเห็นอะไรก็เห็นว่าไม่ดีไปหมดไม่ว่าเราจะมี อะไรมากน้อยเพียงไรจะมีความวิเศษวิโสมากน้อยเพียงไรมันก็ไม่มีความหมายถ้าใจเราไม่ดีแต่ถ้าเราใจลอาดีแล้วถึงแม้เราไม่มีอะไรเลยเราก็เห็นว่าดีไปหมดเพราะว่าความดีของใจนี้หรือความไม่ดีของใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับ สมบัติเข้าของเงินทองลาบยศต่างๆแต่ขึ้นอยู่กับบุญกุศลหรือขึ้นอยู่กับบาปขึ้นอยู่กับกิเลสความโลภความโกรธความหลงท่านั้นเองถ้าเรามีบุญมีกุศลมากเท่าไหร่ใจของเราก็จะดีขึ้นไปมากเท่านั้นจะมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจ มีความพอใจมีความภูมิใจแต่ถ้าเรามีติเลตมากขึ้นไปมากน้อยเพียงไรทำบาปทำกรรมมากน้อยขึ้นไปเพียงไรใจของเราก็จะไม่รู้สึกไม่ดีมากขึ้นไปตามนั้นไม่ว่าเราจะมีอะไรมากเพียงไร เราจะมีตำแหน่งสูงมากน้อยเพียงไรก็าตามสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมากำจัดความรู้สึกที่ไม่ดีอยู่ภายในใจของเราได้วิธีที่จะกำจัดก็คือการทำบุญการบำเพญ็ญกุศลนี้เท่านั้นดังที่ท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกันอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา ทุกๆอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันพระวันธรรม ส, สวรรท่านก็จะเปลกเวลามาสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเป็นการมาดูแลรักษาจิตใจให้ดีนั่นเองใจจะดีได้นั้นอยู่ที่การชำระสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมอง ที่ยังมีอยู่ในใจที่ติดมากับใจเป็นเวลาอันยาวนานและไม่ค่อยได้รับการดูแลชำระกันมากเท่าที่ควรแต่ชาตินี้เป็นชาติที่ดีเพราะว่าเราได้มาเจอพระพุทธศาสนาได้มาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงชี้ไปที่ จุดที่สําคัญที่สุดของชีวิตของเราก็คือใจของเราและชี้วิธีที่จะทําให้ใจของเรานั้นดีเลิศประเสริฐทําให้ใจของเรามีความสุขอยู่ตลอดเวลาพวกเราจึงได้มีโอกาสทาบุญกันได้มาวัดกันได้มารักษาศีลได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมได้มาปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นวิธีชำระเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ในใจให้เบาบางลงไปและหมดไปในที่สุดการทำบุญบําเพ็ญสร้างกุศลต่างๆเหล่านี้จึงไม่ได้มีเป้าหมายอยู่ที่อื่นมีอยู่ตรงที่ใจของเราเท่านั้น คือต้องการชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ให้เป็นเหมือนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะใจที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วจะเป็นใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยบรมสุขปรมังสุขขังนิบานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งคำว่านิพพานนี้ก็แปลว่า ความบริสุทธิ์ของใจใจที่ได้รับการชำระกําจัดความโลภความโกรธความหลงกิเลสเครื่องเศร้าหมองให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจดังนั้นผู้ที่บําเพ็ญบุญสร้างกุศลจึงต้องควรจะทําความเข้าใจให้ถูกต้องว่าเราทําเพื่อชําระใจของเราเราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนจากใครทั้งนั้น เพราะถ้ามีความหวังมันก็เป็นกิเลสขึ้นมามันก็จะเป็นเหตุให้มีความเศร้าหมองขึ้นมาได้เวลาที่เราทำความดีแล้วเราไม่ได้รับการยกย่องไม่ได้รับการตอบแทนเช่นไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเราทำไปแล้วเราก็เสีย อ, อกเสียใจอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้เป็นการทำบุญ ไม่ได้เป็นการทำความดีเรียกว่าเป็นการซื้อขายเป็นการแลกเปลี่ยนเราต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราจึงพยายามทำเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาอย่างนี้เราไม่ได้เรียกว่าเป็นการทำบุญทำความดีที่แท้จริงถ้าทำบุญทำความดีที่แท้จริงแล้วเราจะไม่ต้องการ สิ่งตอบแทนจากใครเลยเพราะเราพุ่งเป้าไปที่การชำระใจของเราเป็นหลักชำระกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเป็นหลักตามที่พระพุทธเจ้าได้บาเพ็ญมาและพระอรหันต์สาวกทั้งหลายได้บําเพ็ญมาท่านได้พบกับความเลิศวิเศษ ความปเปิดเที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเทียบเท่าได้ที่จะมอบให้กับท่านได้เหมือนกับการได้ชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะนอกจากจะได้รับพบพบกับความสุขที่ปเปิดเผยที่เลิศที่สุดแล้วยังได้พบกับการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดด้วย ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายกับการพัดพลากจากกันนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรามาบำเพ็ญสร้างกุศลกันมาทาความดีกันเราไม่ต้องการผลอะไรเป็นสิ่งตอบแทนแต่การกระทำความดีนี้ นอกจากการชําระจิตใจให้สะอาดแล้วมันก็มีผลตอบแทนของมันอยู่ในตัวเช่นเดียวกันเช่นถ้าเราทําบุญให้ทานแล้วเรายังต้องไปเกิดใหม่เราก็จะมีสิ่งที่ดีรอเราอยู่ข้างหน้าเราจะมีเงินทองข้าวของต่างๆรอเราอยู่ข้างหน้า เพราะการทำบุญให้ทานของเรานี้เป็นเหมือนกับการนำเอาเข้าของเงินทองต่างๆไปฝากไว้ในธนาคารบุญนั่นเองพอเราไปเกิดชาติหน้าเราก็จะมีสมบัติเข้าของเงินทองอยู่ดีกินดีไม่อดอยากขาดแคลนและถ้าเรารักษาศีลด้วยเราก็จะได้ไปเกิด เป็นมนุษย์เป็นเทวดาแล้วก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามผิวพรรณผ่องใสมีอาการครบสารสุบสองไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีโรคภัยติดตัวไปด้วยนี่คือผลที่ได้รับนอกจากความสุขและความสหารของจิตใจที่จะ สะอาดขึ้นไปตามลำดับและมีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดขั้นที่เกิดจากการบำเพ็ญภาวนาเรียกว่าจิตตะภาวนาถ้าเราทําบุญให้ทานรักษาศีลอ น, นิสงก็ยังไม่ได้ครบรอยคือยังไม่สามารถ หยุดการเวียนว่ายตายเกิดของจิตได้ของใจได้แต่การเวียนว่ายตายเกิดนั้นจะอยู่ในสุขติคือจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วก็เมื่อบทจกบุญนั้นแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาบำเพ็ญบุญสร้างกุศลใหม่ เพราะเป็นนิสัยติดไปกับใจผู้ที่ได้ทำบุญอยู่เป็นประจำจะมีความชอบที่จะทำบุญตรงกันข้ามกับผู้ที่ไม่เคยทำบุญก็จะไม่ชอบทำบุญไม่ว่าเราทำอะไรเมื่อเราทำไปแล้วมันก็จะเป็นนิสัยขึ้นมา พอเราทำครั้งหนึ่งก็จะทำให้เราอยากจะทำอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราทำหลายๆครั้งเข้ามันก็ติดเป็นนิสัยหรือสันดานไปถ้าเป็นการกระทำที่ดีมันก็เป็นนิสัยที่ดีสันดานที่ดีถ้าทำในสิ่งที่ไม่ดีมันก็กลายเป็นนิสัยที่ไม่ดีสันดานที่ไม่ดีไปเช่นถ้าเราติดนิสัย ความเกลียดคล้านอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะติดไปกับเราทำให้เราเป็นคนขี้เกียจซึ่งมันก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับเรามีแต่จะ่วงความเจริญ่วงความก้าวหน้า่วงความสุขที่เราควรจะได้รับแต่ถ้าเรามีนิสัยที่ขยันความขยันนี้มันก็จะติดตัวเราไปไม่ว่าเรา จะอยู่ที่ใดไปเกิดที่ไหนเป็นอะไรเราก็จะมีนิสัยขยันหมั่นเพียรอยู่เสมอเราจึงเห็นว่าคนในโลกนี้มีความแตกต่างกันบางคนก็มีนิสัยเกียรติคร้านบางคนก็มีนิสัยที่ขยันบางคนก็ชอบทำดีบางคนก็ชอบทำบาสิ่งเหล่านี้มันติดมาเป็นนิสัย มันไม่ได้มาจากพ่อจากแม่พ่อแม่ให้เพียงแต่ร่างกายเท่านั้นแต่ในร่างกายนี้ไม่มีนิสัยติดอยู่ในร่างกายนั้นเพราะร่างกายนี้เป็นเพียงเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟผู้ที่จะรับนิสัยต่างๆได้นั้นก็คือใจเท่านั้น เพราะใจเป็นผู้กระทำสิ่งต่างๆนั่นเองถ้าทำบาปอยู่เรื่อยๆก็ติดนิสัยที่จะชอบทำบาปถ้าทำบุญอยู่เรื่อยๆก็จะติดนิสัยชอบทำบุญไปอย่างอย่างพวกเราที่มาวัดกันนี้ก็ไม่ได้มาเพราะมีใครบังคับให้มาแต่นิสัยของเรานั่นเองเป็นผู้ชวนเรามา เรามีความพอใจมีความสุขใจที่จะทำบุญเราเคยทำมาแล้วในอดีตนับไม่ถ้วนมันจึงติดเป็นนิสัยมาพอเวลาใดที่เรามีเวลาว่าเราก็จะคิดถึงการทำบุญคิดถึงการรักษาศีลคิดถึงการภาวนาเป็นต้นนี่คือเรียกว่าเป็นการเป็นนิสัย ถ้าเป็นนิสัยที่ดีก็เรียกว่าบุญการได้สะสมบุญมาก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างหนึ่งเพราะจะช่วยผลักดันให้เราได้ทำบุญสร้างกุศลมากยิ่งขึ้นไปอีกจนในที่สุดแรงของบุญนี้จะผลักให้เราสร้างบุญสร้างกุศลมากขึ้นไปเรื่อยๆจน สามารถบรรลุถึงผลสูงสุดของการบำเพ็ญของการสร้างบุญสร้างกุศลได้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาในแต่ละภพในแต่ละชาติพระพุทธเจ้าก็บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอยู่เสมอทุกครั้งที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ท่านจะทําบุญให้ทานท่านจะรักษาศีลท่านจะบำเพ็ญจิตตภาวนา ทำจิตใจให้สงบเจริญปัญญาพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆพิจารณาถึงความความเป็นทุกข์ของสิ่งต่างๆพิจารณาถึงความไม่มีตัวตนของสิ่งต่างๆจนติดเป็นนิสัยของท่านไปถึงแม้ในชาติสุดท้ายจะได้มาเกิดเป็นโอรสของพระเจ้าแผ่นดิน มีโอกาสที่จะขึ้นครองราชเป็นพระมาหาจากักรพรรดิแต่นิสัยที่ใฝ่บุญใฝ่กุศลทำให้ท่านไม่ปรารถนาที่จะเป็นมหาจากักรพรรดิเพราะการเป็นมหาจากักรพรรดนี้จะไม่สามารถรักษาศีลได้นั่นเองจะไม่มีเวลาบําเพ็ญภาวนาจะทําได้อย่างมากก็เพียงแต่ทําบุญให้ทานเพราะจะต้องมัวไปทำ ทำสงครามออกรบกับฆ่าศึกศัตรูอยู่เรื่อยๆแลวต้องมีการฆ่ากันเวลาทำสงครามกันทรงพิจารณาด้วยปัญญาและทรงมีนิสัยที่ไม่ปรารถนากับความเจริญทางโลกไม่ปรารถนาที่จะทำบาปทำกรรมจึงทำให้พระองค์นั้น สามารถเสด็จออกจากในวังได้เรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายสำหรับคนที่เป็นกษัตริย์หรือเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินที่จะกล้าตัดสินใจสละราชสมบัติแล้วออกมาอยู่แบบขอทานออกมาบวชแล้วก็อยู่แบบขอทานเพราะนักบวชนี้ต้องอาศัยการขอทาน เป็นการเลี้ยงชีพนั่นเองการบินธบาทก็คือการไปขอทานเพียงแต่ต่างกันตรงที่ว่าไม่เอ่ยปากขอเหมือนกับขอทานทั่วไปเพียงแต่เดินไปถือบาทเข้าไปในบ้านแล้วก็รอรับถ้ามีผู้ใดมีจิตศรัทธาอยากจะใส่บาทก็รับจากเขาแต่ถ้าเขาไม่มีจิตศรัทธา ก็ไม่ว่าอะไรก็เดินไปเรื่อยๆเป็นการขอทานของนักบวชซึ่งต่างกับขอทานทั่วๆไปขอทานทั่วๆไปนี้มักจะไปเคาะตามประตูบ้านมักจะเอาขันยื่นไปขอร้องต่างๆนาน า, นาให้คนให้นั้นเกิดความสงสารแต่ผู้ที่ออกบวชนั้นจะขอทานอย่างมีศักดิ์ศรีคือขอทานโดยไม่ ไม่มีกิเลสความโลภปล่อยให้เป็นไปตามศรัทธาของผู้ที่ปรารถนาที่จะสร้างบุญสร้างกุศลจากด้วยการให้ทานนี้ให้เป็นผู้ให้ซึ่งชีวิตของนักบวชนี้เมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตของคนที่อยู่ในวางแล้วย่อมเห็นว่าต่างกันเหมือนฟ้ากับดิน คนที่อยู่ในวัง น, นี้อยากจะกินอะไรเมื่ อ, อไรเวลาใดก็สามารถทำได้ทันทีอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะร้องราทำเพลงอยากจะหาความสุขกับใครก็สามารถหาได้ทันทีไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่พอมาอยู่แบบนักบวชแล้วต้องอยู่แบบมักน้อยสันโดษ ยินดีตามมีตามเกิดและต้องหาความสุขที่มีอยู่ในตัวของตนเองคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจที่เกิดจากการบาเพ็ญจิตภาวนาแต่เป็นความสุขที่เลิศที่ประเสริฐกว่าความสุขของของคนที่อยู่ในวังของคนที่ อยู่ในโลกของคารวาสเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่ไม่เหมือนกับความสุขทางโลกของคารวาสที่เป็นความสุขที่มีความทุกข์ผสมมาด้วยเป็นความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ใต้ความสุขเป็นเหมือนยาขมที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำตาลนั่นเองเวลาน้ำตาลนั้นละลายไปแล้ว ก็จะได้สัมผัสกับความขมของของความขมนั้นความสุขทางโลกก็เป็นแบบนั้นสุขชั่วประเดียวประดาวสุขชั่วขณะที่ได้มาใหม่ๆเวลาเราได้อะไรมาใหม่ๆเราจะดีอกดีใจแต่หลังจากนั้นแล้วเราก็จะมีความกังวลมีความทุกข์กับสิ่งที่เรามีอยู่เราต้องคอยดูแลรักษา ต้องคอยห่วงต้องคอยกังวลและถ้ามันจากเราไปหรือเสียไปเราก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้นี่เป็นความสุขและทุกข์ของทางโลกที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขจึงไม่ปรารถนาที่จะอยู่ในวัง พอมีโอกาสก็เสด็จออกบวชและบำเพ็ญการปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาทางด้านการรักษาศีลจนในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะจิตใจได้รับการชำระ จนสะอาดบริสุทธิ์นั่นเองเมื่อจิตสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้ายังอยู่ในวังถึงแม้จะได้เป็นพระมหาจากักรพรรดิแต่สักวันหนึ่งเมื่อตายไปแล้วก็ต้องไปใช้เวงใช้กรรมถ้าใช้ถ้าฆ่าผู้อื่นมากเท่าไรก็ต้องไปตกนรก ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเพื่อใช้กรรมนั้นแล้วก็จะติดนิสัยนี้ไปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็อยากจะเป็นมหาจักรพรรดิอีกอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีอยากจะเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ต้องไปแก่งแย่งชิงดีไปทะเลาะเบาแวงไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นกับคนนี้กัน ไม่มีความสงา่าราศีไม่เป็นที่น่านับถือเริ่อมใ ส, ส่ศรัทธาเลยเพราะกิเลสนั้นไม่ได้เป็นเหตุที่จะทําให้คนเราน่าเริ่อมใ ส, ส่ศรัทธาใครก็ตามที่มีความโลภอยู่มีความอยากอยู่ในใจแล้วจะเป็นที่น่าเบื่อหน่ายของคนทั่วไปเราสังเกตดูถ้าเราอยู่ใกล้คนที่มีความโลภโมโทสันแล้ว เราจะลำคาญเราจะเบื่อได้อะไรมากน้อยเพียงไรก็ไม่รู้จักพอขออะไรให้อะไรไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาขอใหม่ขออยู่เรื่อยๆต้องการอยู่เรื่อยๆไม่รู้จักจบจากสิน้นแต่คนที่ไม่ไม่โลภโมโทสันคนที่มักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามเกิดจะไม่ไปรบเรา้าจะไม่ไปรบกวน ขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้จากใครใครยินดีให้ก็ก็ขอบก็รับไว้แต่ถ้าไม่ให้ก็ไม่ไปรบเร้าไม่ไปขอให้คนอื่นเขาลำคาญอกลำคาญใจดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนดีคนเจริญคนที่น่าเรื่อมใสน่าเคารพเราต้องคอยควบคุมความโลภความอยากต่างๆ ความโกรธอย่าให้มันแสดงออกมาทางกายและทางวาจาและถ้าเป็นไปได้ถ้าเราตัดมันได้ลดมันได้ก็จะยิ่งทำให้เราดีขึ้นไปเรื่อยๆดังที่พวกเราทั้งหลายมาบำเพ็ญดังที่พวกเราทั้งหลายมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมกันก็เป็นการมาลดละความโลภ ความโกรธความหลงความอยากต่างๆนั่นเองเวลาที่เราทำบุญให้ทานมันก็จะตัดความโลภความอยากให้เบาบางลงไปเพราะเมื่อเราทำบุญให้ทานแล้วเราจะมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจมีความภูมิใจทาให้เราไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรมากนักเมื่อเหมือนกับตอนที่ไม่ได้ทำบุญหรือคนที่ไม่ได้ทำบุญ มักจะมีความหิวความโลภความอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะขาดบุญนั่นเองใจขาดบุญบุญนี้เป็นเหมือนกับอาหารขอมใจถ้าทำบุญมากเท่าไหร่ใจจะมีความอิ่มเ อ, อิบมีความพอมากขึ้นเท่านั้นจะทำให้มีความอยากความโลภน้อยลงไปแล้วถ้าได้บาเพ็ญจิตตภาวนาทำจิตใจให้สงบแล้ว ยิ่งจะทำให้ใจนี้มีความอิ่มมากขึ้นไปอีกหลายร้อยเท่าทำให้ไม่อยากไม่หิวกับอะไรทำให้อยู่อยู่บ้านเฉยๆก็ได้หรือไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมเป็นเวลาหลายหลายวันก็ได้หรือบวชไปตลอดชีวิตเลยก็ได้ถ้าใจได้พบกับความสงบที่เกิดจากการบำเพ็ญจิตภาวนา การทำจิตใจให้เป็นให้ให้สงบด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธก็ดีหรือด้วยการสวดมนต์ก็ดีหรือด้วยการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกก็ดีถ้าทำอยู่เรื่อยๆจนปรากฏผลขึ้นมาแล้วใจจะเกิดความอิ่มเกิดความสุขเกิดความพอจะไม่หิวไม่อยากกับสิ่งต่างๆเหมือนกับที่ เป็นอยู่เมื่อก่อนนี้ตอนที่ใจยังไม่สงบนี้ยังถูกความหลงหลอกให้เห็นว่าสิ่งนั้นดีคนนั้นดีไปทำตงไปทาสิ่งนั้นดีไปดูสิ่งนั้นดีไปดื่มไปรับประทานสิ่งนั้นสิ่งนี้ดีทั้งหมดนี้เกิดจากความหลงของจิตใจที่ไม่ได้รับการชําระที่ไม่ได้รับการกาจัดนั่นเองทําให้จิตใจนั้น ต้องตะเกียบตะกายเพราะมีความรู้สึกหิวมีมีความต้องการมีความโลภอยู่นั่นเองแต่พอได้ทำจิตใจให้สงบแล้วความหลงก็สงบตัวไประยะหนึ่งความโลภ ก, ก็สงบตัวไประยะหนึ่งทำให้มีความสุขมีความสบายมีความอิ่มมีความพอขึ้นมาจึงทำให้เกิด มีความฉลาดขึ้นมาทำให้รู้เราว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่ตัวของเราเองไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้ไม่ได้อยู่ที่เข้าของเงินทองไม่ได้อยู่ที่สถานที่นั้นที่สถานที่นี้แต่อยู่ที่ใจของเราที่สงบนี้เท่านั้นเองเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จะทำให้มีความขยันหมั่นเพียร ที่จะชำระกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปให้ได้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนหมดไปในที่สุดจึงเกิดความขยันหมั่นเพียรที่จะทำบุญให้ทานมากขึ้นที่จะรักษาศีลให้มากขึ้นและจะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิให้มากขึ้นรวมไปทั้งการเจริญปัญญาพิจารณา ให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่มีความสุขเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการพัดพลากจากกันนั่นเองไม่ว่าเราจะมีอะไรได้อะไรมามากน้อยเพียงไรจะต้องมีการพัดพลาดจากกันจึงไม่เป็นความสุขที่แท้จริงแต่เป็นความทุกข์เพราะเวลาที่จากกันแล้วก็ต้องร้องหง่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ เราต้องคอยเตือนเราตัวเราอยู่เสมอเวลาที่เราอยากจะได้อะไรพยายามเตือนด้วยปัญญาว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงต้องอยู่ในใจเราอยู่ในใจที่สงบใจจะสงบได้เขาต้องเกิดจากการเจริญสมาธิและปัญญานี้เองถ้าเราหมั่นเจริญทำเหล่านี้แล้วจิตใจของเราจะไม่ถูกความหลงหลอก ให้เราไปหาความทุกข์เข้ามาใส่ใจของเราเพราะว่าไม่ว่าเราจะได้อะไรมาเราก็จะต้องทุกข์กับสิ่งนั้นเสมอได้สามีได้ภรรยามาก็ต้องทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาได้ลูกมาก็ต้องทุกข์กับลูกได้สมบัติข้าของเงินทองต่างๆมาก็ต้องทุกข์กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเอง เพื่อให้ได้มาสิ่งที่ดีที่วิเศษที่เป็นความสุขที่แท้จริงก็คือความสงบของจิตใจที่เกิดจากการชำระความโลภความโกรธความหลงจนหมดสิ้นไปจากจิตจากใจนั่นเองนี่คือเป้าหมายชีวิตของพวกเราของสัตว์โลกทั้งหลายไม่ช้าก็แล้วเราต้องมาทางนี้กันเพราะไม่มีทางอื่นถ้าไปทางอื่นก็ไปทางสู่ความทุกข์ ไปสู่ความวุ่นวายสู่ความหิวสู่ความกระหายแต่ถ้ามาทางที่พระพุทธเจ้าได้มาก็จะเป็นทางที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขที่แท้จริงวันนี้พวกเราโชคดีที่เราได้มาเจอพระพุทธศาสนาแล้วเราได้พบทางแล้วขอให้เราพยายามต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปสรรคภายในคือกิเลสตัณหาที่จะพยายามต่อต้านเราทุกวิถีทางเวลาเราจะทําบุญมันจะพยายามสร้างเหตุให้เราไม่มีเวลาทําบุญบ้างเวลาเราจะรักษาศีลมันก็จะอ้างว่าจะทําให้เรายากจนทําให้เราทํามาหากินไม่ได้เวลาจะภาวนาก็จะอ้างว่าไม่มีเวลาว่างอย่างนี้เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มันเป็นกลของกิเลส ท, ที่คอยสกัดกั้นไม่ให้เราได้บาเพ็ญเท่านั้นความจริงแล้วพวกเราทุกคนมีโอกาสเท่าๆกับพระพุทธเจ้าเท่าๆกับพระอาหารหันต์ทั้งหลายมีโอกาสที่จะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เช่นเดียวกันถ้าเรากล้าที่จะตัดความโลภความโกรธความหลงกล้าที่จะสู้กับอุปสรรคต่างๆ ที่กิเลสจะพยายามสร้างขึ้นมาขวางขวางกา้านการปฏิบัติของเราขอให้เราทําไปด้วยความแน่วแน่มั่นคงมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสัส่งสอนขอให้ยึดพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นแบบเป็นฉบับแล้วรับรองได้ว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่เลิ่สิ่งที่วิเศษสิ่งที่พวกเราปรารถนากัน ก็คือความสุขและความเจริญที่แท้จริงนั้นจะไม่หลุดพ้นจากเอื้อมมือของเราไปได้จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาบางเพ็ญบุญกุศลนี้ให้ท่านได้นำไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา